เรื่องห้ามผู้สอนซ้อมกับอุปสัมพทาเปรคขเดินมาพร้อมกันภิกษุผู้สอนซ้อมกับอุปสัมพทาเปรคะเดินมาพร้อมกันพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สอนซ้อมกับอุปสัมพทาเปรคขไม่พึงเดินมาพร้อมกันภิกษุผู้สอนซ้อมพึงเดินมาก่อนแล้วประกาศให้สงราบด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปรคาของท่านผู้มีชื่อนี้ข้าพเจ้าสอนซ้อมเขาแล้วถ้าสงพร้อมกันแล้วผู้มีชื่อนี้พึงมาได้พึงเรียกอุปสัมปทาเปรคาว่าเจ้าจงเข้ามาเถิด